ท่านฟันที่ครบคราท่านกลยในช่วงเวลาของรายการสัมสนสนทนาที่นิสถานีวิทยุครอบครัวข่าวในเพลและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะดิฉันสรมสีนาคงก็ได้ให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมกับพระมาชาคาวโรพร้อมกับฟังพระสูตรที่ท่านมาร์ได้เลือกมาอ่านให้พวกเราได้ฟังสำนวนของพระพุทธองค์แล้วนะคะตอนนี้ก็มาพบกับพระพบูลอภิปุโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานี ในพ่วงเวลาที่ท่านกําลังว่างเว้นจากการหลีกเร้นแต่ก็กําลังจะก้าวไปสู่การหลีกเต้นครั้งต่อไปของที่วัดเหมือนกันไปกราบนรรมส ก, การท่านพร้อมๆกันเลยนะคะนรรมส ก, การ์ค่ะท่านาคะเช่อม่อนค่ะหน้าฝนหยุดไหมคะการหลีกเต้นที่วัดเออไม่หยุดโอค่ะมีก็ใช้ลมเอาฝนตกทุกวันเลยคุณยมถิ่อนอนที่วัดนะ่ะลําบากไหมคะเพราะว่าตอนที่ดิฉันไปเนี่ยแค่ตกไม่นานนะคะอืมก็ยังมีความรู้สึกว่า เวลาอยู่วัดป่าเนี่ยพอฝนตกลมอ่ะมันวังเวงมากแล้วก็ตาวนาชนชนาก็ดีใจมากเลยฝนตกเ่ยแต่แต่พูดถึงการไปลีกเดนเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เราได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะคะอืจึงได้เตรียถามท่านนี่ค่ะว่าเออ่าหยุดฤดูฝนไหมไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดแล้วจะปฏิบัติกันอีกเมื่อไหร่ละท่าน ครั้ต่อไปเดือนกรกฎาวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเก้าโอค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้เต็มหรือยังคะก็ครึ่งหนึ่งแล้วส่วนใหญ่เป็นคนเก่าหรือคนใหม่อะไรนะส่วนใหญ่เป็นคนใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนใหม่ก็คนเก่าก็ประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพหรือหลายจังหวัดค่ะเอ่อคนกรุงเทพก็มีจํานวนมากขึ้นมาเรื่อยๆนะ อย่างครั้งที่ผ่านมาเดินมิถุนาเนี่ยคนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยโอ้โอค่ะเกินครึ่งด้วยซ้ำประมาณหกสิบเปอร์เซ็นแสดงว่าคนกรุงก็อยากจะห น, นีความเจาะแจ็คจอแจ็ของเมืองหลวงมั้งคะแล้วมันก็ประกอบกับการที่แถวบ้านนอกเนี่ยเขาก็เริ่มลงนากันแล้วนะค่ะทําให้ชาวบ้านก็จะเอายุ่งกับกิจการงานของตัวเองมากกว่าที่จะมาวัดช่วงนี้อค่ะค่ะทั้งค่ะ ทีนี้ผมมาถึงหน้าฝนในตันเองเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่ามันจะช่วยเราจํามากเลยถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรมาประกอบกับเรื่องที่เราเรียนรู้อยู่อวันนี้เรียนรู้พุทธวจนะก็เลยอยากกราบเรียนถามท่านว่าหน้าฝนแบบเนี้จะมีพุทธวจนะใดที่จะสอดคล้องกันแล้วท่านนํามาเล่าค่ะอ๋อพระเจ้าเคยเปรียบเทียบอยู่สองอย่างในะอย่างแรกเนี่ยเปรียบเทียบกับฝนนั้นที่ตกลงมาในท้ายของฤดูร้อน ฝนที่ตกลงมาในท้ายของดูร้อเนี่ยคือฝนมันเริ่มหยุดแล้ ว, ลวฝนมันเริ่มหยุดแล้วแล้วก็แผ่นดินนี่ก็เริ่มแห้งแล้วพอตอนนั้นฝนก็จะห่างออกห่างออกห่างออกเห็นไหมห่างออกห่างออกห่างออกเนี่ยดินเริ่มแห้งปุ๊บพอฝนตกลงมาเนี่ยพอดินเริ่มแห้งมันก็จะเริ่มมีฝุ่นะเริ่มมีฝุ่นปุ๊บพอฝนตกลงมาปุ๊บเนี่ยพุ่มเลยฝุ่นก็จะ ร, งระงับไปนะฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นเนี่ยก็จะ ร, งระงับไปโดยควรแก่ตานะแพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับอานาปัญสติเนี่ แต่เราทําเจริญให้มากแล้วเนี่ยนะมันก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยระ ง, งับไปนะทําให้ไอ้พวกอกุศนต่างๆนะระ ง, งับไปโดยควรแก่ฐานะได้อย่างอย่างเราเจอกระทบอย่างเงี้ยขับรถไปรถป่าดหน้าฟาบเข้ามาเงี้ยมลชัยปาดหน้ า, า, ป, า, า, า, ป, า, นาปุ๊บเราดูมมลชัยเลยปุ๊บมันหยุดลงไปหน่อยหนึ่งน ะ, ะระ ง, งับได้โดยควรแก่ฐานะว่างกันเถ อ, อะอันนี้คือพูดถึงสุขวิหารนะเครื่องอยู่อันเป็นสุขอันนี้อันที่1 แล้วนะก็อันที่2องพุทธเจ้าเปรียบกับเวลาที่ฝนในท้ายฤดูร้อนนี่เหมือนกันแล้วมันจะเป็นฝนที่มเมล็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดโ ต, ตอาจจะเป็นเพราะวาความก็ไม่เข้าใจเรื่องเกิดกับอุตมนิยมวิทยามันกันนะนะแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าฝนในท้ายฤดูร้อนเนี่ยพอมันทิ้งช่วงแล้วมันก็จะเม็ดใหญ่นะพอเม็ดที่มันใหญ่เนี่ยมันตกลงมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดตอมน้ําขึ้นตอมน้ําคือฟองน้ำนั่นแหละ ถ้าภาษาไทยพูดว่าฟองน้ําเนี่ยมันจะไปตรงกับฟองน้าที่เราใช้ถูตัวใช้ล้างจานอันนั้นไม่ใช่นะแต่เรากำลังพูดถึงน้ําที่เป็นเป็นบัโป้นะเป็นตอมน้ำนะไอ้ตอมน้ําตรงเนี้ยพอมันตกปุ๊บตอมน้ําเกิดขึ้นปั๊บมันแตกวับเร็วมากต่อมน้ําเกิดขึ้นตกปุ๊บน้ําแตกวับนะเป็นไปอย่างนี้เร็วๆมากเวลาอย่างสมัยเวลาฝนตกเนี่ยเราไปดูที่ชายชายหลังคาก็ได้น้ำมันหยดลงมาถ้าถ้าไม่มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะร่องน้ํา รังน้ําที่เรารับฝนอถ้าไม่มีรังน้ําเราดูเวลาที่ฝนมันตกลงมาเนี่ยมันโดนพื้นปุ๊บเนี่ยถ้าพื้นเป็นแอ่งน้ํามันมีน้ําท่วมเริ่มน้ำเรเอิงเ อ, งเองนองขึ้นมานะมันจะมีฟองน้ําเกิดขึ้นต่ำน้ําเกิดขึ้นตรงนี้แหละเปรียบเทียบกับความไม่เที่ยงของสัญญาในคันทั้งหากรูปเบญนาสัญญาสังหารไม่เที่ยงใช่ไหมไม่เที่ยงยังไงโอนี่เหมือนต่มน้ําเกิดมาปุ๊บแตกปั๊บเลยชีวิตเราสั้นขนาดนี้นะ ชีวิตเราสั้นขนาดนี้อายุของต่อมน้ำนานเท่าไหร่ไม่พอหนึ่งวินาทีด้วยซ้ำคุณโยมเตียวนี่อายุของเราสั้นขนาดนี้ผู้ชาวเปรียบเทียบนะค่ะอันนี้เป็นในประเด็นที่สองประเด็นที่สองใช่ก็เทีา่าวที่พบก็มีอยู่สองเรื่องนี้โอค่คท่านฟันค่ ะ, คะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย ถ้ า, าจะลองพิจารณาแต่ฝนตอนนี้เป็นหน้าฝนที่ตกลงมาจะยังเป็นตอมน้ํำหรือเปล่ากออยังเพราะมันจะเป็นเม็ดเล็กด้วยมันก็จะมากด้วยมันจะเป็นละอองน้ําก็มีบางทีฝนตกมาเยอะอยู่เอนิดหน่อยเอบ่อยอยู่บ่อยๆแต่ไม่ไม่นานถ้านานๆก็จะเป็นตอนกลางคืนนะนะที่แถวนี้ค่ะแต่ก็าอาจจะจินตนาการออกในในะยะแรกนะคะว่าเวลาที่ฝนไม่ตกเนี่ยโอ้โหดินแห้งผากแตกกระแหงด้วยซ้ํากี่ฝุ่นนี่คลุ้งเลยบางบ้าน บางที่สมัยก่อนนี่ฉันอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นนะคะจะต้องมีหน้าที่คอยเอาน้ามาสาดหน้าบ้านไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งมากเกินไปแต่ว่าในเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงอุปมานี้เมื่อมีฝุ่นคลุ้งลงมาแล้วฝนตกลงมาฝุ่นก็จะถูกฝนทับเอาไว้ระ ง, งับลงไม่ไม่คลุ้งนะคะระ ง, งับลงพระองค์เลยเปรียบกับการเจริญอาณาปานสตินะคะรู้ลมหายใจ ว่าทําให้กิเลส ท, ทั้งหลายระงับลงใช่ไหมคะใช่ทําให้อคติและธรรมทั้งหลายนะระงับลงไปโดยควรแก่ฐานะโดยควรแก่ฐานะ อ, อีกต่างหากด้วยท่านบอกว่าเป็นเรื่องของเครื่องอยู่อันเป็นสุขขวิหารใช่ ค, คำคำว่าโดยควรแก่ฐานะนี่หมายความว่ามันก็ระงับลงบ้างอนะคือ<ะ>คืออัตถกถานี่นี่อัตถคถาอธิบายนะว่า<อ>ไม่ใช่ว่าฝุ่นไม่มีนะมีอยู่นะแต่ฝุน<ะ>่นมันก็ซ่อนอยู่ใต้น้ํา และเหมือนอย่งเราเจริญสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเอา่ตัณหาไม่มีนะตัณหาก็มันยังมียังมีซ่อนอยู่ได้สมาธินั่นแหละแต่ว่ามันระ ง, งับลงไปค่ะเพราะฉะนั้นพอระ ง, งับลงไปแล้วเราอาจจะเห็นตามที่เป็นจริงได้อันนี้ก็ก็จะเป็นข้อดีท่านคะ่ะพูดถึงในกรณีที่ท่านเอ่ยออกมาว่าเนี่ยทุลียังมีอยู่ฝุ่นยังมีอยู่ถูกน้ําทับไว้การเจริญอานาปนานสติมันถูก สติใช่ไหมคะใช่ทับกิเลสเอาไว้ถูกต้องถูกต้องคือกิเลสนี่ยังมีอยู่มีอยู่แต่ยังไม่ฟุ้งขึ้นมาก็ถึงน่ากลัวมากเท่ากับว่ามันพร้อมที่จะฟุ้งทุกขณะเลยใช่ถ้ามันมีอะไรมากวนมันออกมาทันทีถ้าหากว่าต้องการจะไม่ให้ฟุ้งเลยเหรอคะท่านคะต้องเป็นพระอรันอืออ้าวคือหมายความว่าคือคือใกลจากกิเลสแล้วนะคืออะไรมากวนก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาสบายใจ นี่คือความเปาาน็นบรอรหันต์ตราบใดที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงแม้ว่าจะเพียรปฏิบัติไปถ้ามีเว้นช่องว่างนมีโอกาสฟุ้งเลยใช่ไหมคะท่านพิ้งช่วงแบบฝนเลยปฏิบัติเป็นหน้าฝนเข้าพรรษาปฏิบัติปฏิบตับติพอพ้นหน้าฝนปุ๊บอ่าหมดฤดูกาลละไปสะสมกิเลสเดี๋ยวจะไม่มีอะไรมา <c oughs> ทำให้หายฟุง้งหรือแค่ระหว่างฝนระหว่างฝนในวันหนึ่งเนี่ย ถ้ามีอะไรมากวนใจเราเราอาจจะฟุ้งขึ้นมาก็ได้จิตมันไหวมากแต่ดิฉันเนี่ย<ม>ก็สารภาพกับท่านในฐานะตัวอย่างของคนคนหนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ปฏิบัติตลอดเวลานะคะคือก็ภาวนาเป็นเวลาแล้วก็ยังอยู่ในผู้ที่มีกิเลสเยอะคือท่านภายัยรณ์ก็พยายามสอนว่าให้เจริญสติ ต, ตลอดก็ไม่ได้ตลอดหรอกค่ ะ, คะ สารภาพ <ยก S 2> คุณโยนติวิดีมากเลยนะเอาเรื่องไม่ดีของตัวเองมาพูด <laughs> <อ S 2> เป็นคนดีญญคือมันเป็นเรื่องข้างในนะคะดิฉันจะไปยกตัวอย่างคนอื่นไม่ไม่สามารถยกตัวอย่างได้ตรง <laughs> <huh. S 1> นะคะก็ที่จะบอกเนี่ยก็คือจะบอกทุกคนด้วยว่าบางทีเราพูดถึงเรื่องแบบเนี้ยเราไม่ได้พูดเพื่อจะอวดตัวว่าเราปฏิบัติแล้วเราเลอเลิือดแต่เราจะพูดว่าบนเส้นทางนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราจะต้องประคับประคองต้องมีความเพียร ใช่ไหมคะที่จะทาให้ครบรูปแบบไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเป็นลักษณะที่ปรากฏอยู่ก็คือว่าเราจะพบเลยว่าเราก็ยังมีตัณหาเราก็ยังมีกิเลส น, นะคะที่เมื่อฟุ้งมากๆแล้วเราระลึกได้เราก็รู้สึกระอายใจว่าเราต้องจัดการจัดการเพราะเรายังไม่บรรลุตรงนี้เป็นความลายต่อบาปที่เรามีอันนี้เป็นดูเป็นตามที่มีุ่กาสมากเลย แต่ <c oughs> เรารู้สึกลายว่าโอ๊ยทำไมฉีกฉันเปนบ้าบองอย่างนี้นะเราต้องรีบแก้ไขแล้วโอ้ยนี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากเราจะทําความเพียรเราจะมีศรัทธาเราจ ะ, จะเจริญสติมีสมาธิอะไรก็ตามมาหมดอย่างนี้ดิฉันเชื่อว่าคนที่เขาปฏิบัติมากๆเนี่ยออืแล้วเวลาที่ยังไม่เป็นบรรลุอ่อาอริยบุคคลก็ยังจะต้องเผชิญกับโจทย์ต่างต่างที่เป็นกิเลส ฟ, ฟุ้งออกมาอีก <c oughs> ใช่เป็นข้อสอบนั่นแหละจะมีอาการ สำนึกผิดบ่อยอะค่ะท่านคะสำลึกผิดเราก็ก็ดีแล้วมาประกาศความความชั่วของตัวเองนะเสร็จแล้วมันก็จะค่อยดับไปหราอ้อคตศนธรรมตรงนั้นะแต่ที่ท่านชี้ให้เห็นอย่างเนี้ยดีนะคะก็ดิฉันเข้าใจว่าคนอื่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะคอยอเหมือนกับแบบบางทีเขาก็ไม่ได้จับจ้องจับผิดนะคะอืแต่เหมือนกับเขาก็จะเอ๊ะทาไมก็ว่าเป็นคนฝักใฝ่แล้ว ยังเป็นอย่างนี้อยู่อืมยังมีกิเลสอยู่ยังดูเหมือนกับมีความหนาปรากฏบ้างอืมค่ะ ก, ก็เป็นธรรมดานะหรือหรือไม่แต่ว่าอพระอาหารหันต์เองก็ตามอนะคือเรื่องของการปฏิบัติของท่านเนี่ยจบละเลือเลิศที่สุดละเสมอด้วยพระผู้มีพระภาคละแต่ว่าการกรําหนดบทเพ็ชนะก็อาจจะมีมีไม่เหมือนไ ม, ไม่ไม่ตรงบ้างผิดเพี้ยนไปบ้างอย่างเงี้ยก็มีแต่เพรา ะ, ะนั้นเราก็ฟังธรรมะเราก็ไม่ได้ว่าจะไปโจ์ใครหรอกเราก็ ทำใจราให้สบายก็แล้วกันค่ะทีนี้ก่อนที่จะจากกันไปเรียนอยากให้ท่านย้ําเรื่องต่อมน้ําอีกสักทีหนึ่งเพื่อเตือนสติดิฉันแล้วก็ทุกๆ ท, ท่านด้วยค่ะพระเจาตรัสอย่างนี้นะบอกว่าเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทําฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะ ข้อนี้ฉันใดอานาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วก็เป็นของระงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นเครื่องอยู่อันเป็นสุขและย่อมอย่างอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันดารทานไปโดยควรแก่ฐานะได้ฉะ น, นั้นอสาธุนนค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองด้วยเลยไหมคะ ผูชาเปรียบเหมือนกับเมื่อฝ น, นเมล็ดหยาบตกลงในท้ายฤดูฝนต่ำน้ําย่อมเกิดขึ้นและแต่กระจายอยู่บนผิวน้ําบุรุษผู้มีตาดีไม่บอดเห็นต่ำน้ํานั้นก็เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบข่ายเมื่อเธอนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบข่ายอยู่ต่ำน้ํานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่า และปรากฏเป็นของหาแก่นสารมิได้ไปก็แก่นสารในต่อมน้ำนั้นจะพึงมีได้อย่างไรอุปมาณิชนใดอุปมัยก็ฉันนั้นคือเวทนาชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีไหนที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตาม เธอนั้นเมื่อรู้สึกซึ่งเวทนานั้นย่อมพินิษพิจารณาโดยแยบคายเมื่อเธอนั้นรู้สึกอยู่เพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบคายอยู่เวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่าและปรากฏเป็นของหาแก่นสารไม่ได้ไปก็แก่นสารในเวทนานั้นจะพึงมีได้อย่างไร น, นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวทนาแลนะไม่ใช่สัญญาอ๋อค่ะนะคะแต่ว่า ท่านพุทโธก็บอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยเปรียบต่ำน้ําขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราต้องนึกถึงชีวิตของเราใช่ไหมคะอันนี้ก็มีอีกสูตรหนึ่งนะที่อริยกะเป็นเป็นอีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดถึงศาสนาอีกองค์หนึ่งแล้วก็รับรองคําพูดศาสนานั้นว่าชีวิตเนี่ยมันสั้นเหมือนต่ำน้ํานี่ก็มีอีกอันนี้เป็นอันที่สามด้วยอันที่หนึ่งคือเรื่องของอนาปนาสติใช่ไหมเปรียบเทียบกับต่ำน้ําอันที่2เรื่องของเวทนาเปรียบเทียบกับต่ำน้ำอันที่สาเรื่องของอายุของเรา เพเลยรวมสามเรื่องเลยต่อมเใช่ไค่ะมีสมเรื่องอาณาปาอืมเวทนาเวทนาแล้วก็อายุสันมรนาอืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ฉันลงมาสุดท้ายที่มรณาเลยก็แล้วกันว่าความตายมันอยู่ใกล้เราิีเดียวใช่ค่ะก็ตัดสินใจนะคะเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่ได้เข้าถึงคำสอนของพระศาสดาเร่งทำความเพียร ที่จะขจัดกิเลสออกไปให้มากที่สุดอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็กราบนมรส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูอุอพิบุญโนจากวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีนะคะกราบนมัส ก, การค่ะเจ้าพนค่ะจริงๆแล้วในห่วงเวลาที่ดําเนินรายการท่านอาจารย์ไพบุญเนี่ยพร้อมทั้งหลวงพ่อดออรสะอาดนะคะก็ได้มากรุงเทพแล้วท่านก็พำักอยู่ที่วัดบรวรค่ะเพียงแต่ว่า จะมีกิจของท่านแล้วแต่ว่าที่ท่านใดนิมนมานะคะอย่างไรก็ตามทางวิทยุเนี่ยท่านสามารถพบกับพระอาจารย์เพรบูรณ์ได้ตลอดเวลาหรือว่าจะส่งคำถามนะคะไปถึงท่านที่เพ e ยวธ a ร m a .com/106 ก็จะพบสิ่งที่ท่านเพรบูรณ์ได้พยายามถ่ายทอดคำสอนของกษศ า, ศาสริ์ดาอยู่ในนั้นนะคะส่วนถ้าท่านเปิดหนังสือพุทธว จ, จนะท่านก็จะ ได้เห็นความพยายามในการทำงานของคณะศิษยานุสิ์แล้ว็คณะสงฆ์ที่วัดนาประพงลำลูกกาคลองศิษย์วัดที่ระมารชาคาวโรอยู่พระอาจารย์คริชลิศโสติพรโรท่านก็เป็นผู้ที่เป็นประธานของคณะทำงานนี้เลยนะคะแล้วก็ได้มอบสื่อเหล่านี้ให้กับพวกเราได้ไว้ประกอบกับ ก, บ ก, บการที่จะเข้าถึงคาสอนของระศ า, าสระเพื่อการพัฒนา ตัวของเราเองนะคะวันนี้ก็ขอให้พุททวจนะนั้นพัฒนาให้ชีวิตของทุกท่านพบกับความสวัสดีค่ะพุทว่สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะ